สิบห้าสติปัตาฐานเป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้วงเล็บเปิดหนึ่งหพฤศจิกายน 2549. นห้า้อบจุดจุดนาทียี่สิบเกวงเล็บปิดเรื่องของสมถะมันอันหนึ่งเรื่องของวิปัสสนาอีกอันหนึ่งไม่ใช่ทำสมถะไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดวิปัสสนาไม่เกิดหรอกคนละเรื่องเลยเพียงแต่สมถะเป็นเครื่องอาศัย ถ้าเราทำเป็นก็ได้พักผ่อนพักผ่อนพอมีกำลังแล้วก็มารู้กายรู้ใจเอาฉะนั้นงานหลักของเราคือรู้กายรู้ใจตัวนี้แหละที่เราได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงสมถะเหมือนได้พักผ่อนเคยมีคนคิดนะว่าถ้าทำสมถะมากๆจะเกิดปัญญาไหมมันก็เหมือนถามว่านอนมากๆจะรวยไหมเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดเลยนอนเยอะๆเจรวยไหมทีนี้ก็ต้องรู้จักวิธีเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งอ่านนั่งคิดนะนั่นแหละคือศัตรูของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาในขั้นของวิปัสสนาทำได้อย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอกยนมักทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองก็คือการมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนั่นเองที่เรียกว่าสติปัฏฐานท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ การมีสติรู้กายมีสติรู้ใจฉะนั้นเราต้องเรียนเรื่องสติปัฏฐานในสติปัฏฐานไม่มีเรื่องการคิดมีแต่เรื่องการรู้นั่งอยู่ก็รู้ชัดยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดรู้ชัดไม่ใช่แปลว่ารู้ชัดชัดรู้ชัดนี่คนไทยมาแปลเอาเองคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ชัดคือรู้ตรงตามความเป็นจริงว่าตัวที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอก แล้วจิตใจที่ไปรู้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดคือรู้ตรงตามความเป็นจริงธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดนะเรียนไม่ได้ด้วยการถามแต่เรียนได้ด้วยวิธีเดียวคือดูลงมาในกายดูลงมาในใจอย่าเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตราบใดที่เรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเราจะห่างจากมรรคนิพพานวงเล็บเปิดสอง 29พฤษจิกายนสองพันห้าอห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสี่วงเล็บปิดหน้าทีาท่ของเราไม่ต้องหาทางปล่อยวางขันไม่ต้องพยายามที่จะทิ้งขันหน้าที่เรามีอันเดียวคือรู้ขันลงไปรู้กายรู้ใจลงไปรู้ให้มากๆาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการรู้กายรู้ใจที่เรียกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวไม่มีทางสายที่สองแล้ว ไม่มีทางที่รัดสั้นยิ่งกว่านี้แล้วแท้จริงแล้วทางมีทางเดียวไม่มีสั้นไม่มียาวอะไรหรอกแต่เราชอบไปเดิน อ, อ้อมค้อมเราไม่ไปเดินในทางเราก็เลยรู้สึกว่าอ้อมนานแต่ถ้ามาลงมือจเจริญสติรู้กายรู้ใจเราจะรู้สึกว่ารัดสั้นแท้จริงไม่ได้รัดสั้นทางก็คือทางยาวเท่าเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ไปเดิน อ, อ้อมอมเราก็จะรู้สึกทางนี้สั้นถ้ามัวเดินอ้อมนะเดี๋ยวก็โฉบเข้ามาตรงนี้อีก เดี๋กก็ออกห่างออกไปอีกเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยๆการเที่ยวแสวงหานั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยนอกจากความเนิ่นช้าแต่การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนึงๆนั่นแหละมันสั้นที่สุดที่จะสั้นได้แล้วไม่มีทางที่สองฉะนั้นอย่ารีบร้อนรู้กายรู้ใจไปไม่ต้องรีบว่าจะทำอย่างไรจะเร็วกว่านี้อีกรู้กายรู้ใจแล้วไม่มีทางที่จะเร็วกว่านี้อีก เมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยากได้ทางที่สั้นๆนะสั้นกว่านี้อีกเราหัดรู้กายรู้ใจจนชํานิชํานาแล้วไปหาครูบาอาจารย์ชอบไปถามท่านนี่ผมดูอยู่ที่จิตที่ใจแล้วก็เห็นแต่ความปรุงแต่งเห็นใจเข้าไปยึดใจก็ทุกข์ใจไม่ยึดใจไม่ทุกข์เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผมดูอยู่อย่างนี้แล้วผมควรจะทาอย่างไรอีกเพื่อใหการปฏิบัติดียิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อจะได้ไปเร็วๆนั่นแหละ ครูบาอาจารย์จะบอกว่าไม่มีทางให้เร็วกว่านี้แล้วเมื่อมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไม่มีวิธีใดที่จะเร็วกว่านี้อีกท่านบอกอย่าใจร้อนเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาให้สุกงอมถ้าใจร้อนไปเก็บผลไม้มาบ่มนะมันไม่หอมมันไม่หวานไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราไม่ใจร้อนเราก็รู้กายรู้ใจไปรู้มากที่สุดเท่าที่รู้ได้คือรู้ตั้งแต่ตื่นจนหลับวิธีปฏิบัติของลวงพ่อนะ มองด้านหนึ่งแล้วง่ายที่สุดเลยเพราะไม่ต้องทำอะไรมองอีกด้านหนึ่งยากที่สุดเพราะต้องทำตลอดเวลาทำตลอดเวลาก็คือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมีข้อยกเว้นยกเว้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดในขณะที่ทำงานที่ต้องคิดนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องทางานทุกคนมีหน้าที่กันหมดกระทั่งพระอย่างพระถึงเวลาต้องมาคุยกับญาติโยม นี่ไม่ใช่เวลารู้กายรู้ใจแล้วอย่างญาติโยมเวลาไปทำมาหากินที่ต้องใช้ความคิดไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นเป็นข้อยกเว้นไม่ได้เจริญวิปัสนาไม่ได้ทำสมถะด้วยมีแต่สมาธิอย่างโลกโลกจดจ่ออยู่กับงานเมื่อเราทำงานแล้วใจกัดแกงยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาเรามีสติรู้ทันสติมันเกิดเอง การปฏิบัติมันก็จะแทรกตัวอยู่ในระหว่างการทำงานเป็นช่วงเล็กๆช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานสมมุติเราทางานอยู่8ชั่วโมงก็ไม่ใช่จะมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่มีสติอยู่8ชั่วโมงอย่างเวลาที่เราทำงานจริงๆมันมีงานวิจัยรองรับนะว่าที่บอกว่าทำงานมากคิดมากทั้งวันจริงๆแล้วทางานที่ใช้ความคิดจริงๆวันหนึ่งรวมๆไม่ถึง4ชั่วโมงหรือประมาณ4ชั่วโมง เวลาที่เหลือเอาไว้ใจลอยเอาไว้ทำอย่างอื่นยกตัวอย่างอย่างเราตื่นนอนขึ้นมานี้เรายังไม่ได้ทำงานตรงนี้เราก็ต้องดูเอาตอนขับรถหรือนั่งรถไปที่ทำงานตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทางานบางคนเดินเข้าไปถึงที่ทำงานนะก็ไขกุญแจนั่งเก้าอี้เปิดคอมพิวเตอร์ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทางานไม่ใช่ข้ออ้างที่จะว่าไม่มีเวลาปฏิบัติหรืออย่างเวลาเราทางานแล้วโทรศัพท์มาแมมมันอินเทอร์รัปในวงเล็บ ขัดจังหวะโมโหขึ้นมาละ่ะโมโหมีสติรู้อีกหรือทํางานแล้วเราจะต้องไปห้องน้ําอากาศหนาวอย่างนี้ต้องไปบ่อยหน่อยตอนจะไปห้องน้ําลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเดินไปห้องน้ําก็มีสติไปไปทําธุระเสร็จเดินกลับมาก็มีสติเดินกลับมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปแล้วแต่ว่ามันจะรู้อะไรรู้ไปเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยไปเล่าให้หลวงพ่อกเกษมเขมโกที่ลำปางฟังว่าทํางานเยอะ พวกเราอย่าอ้างว่างานเยอะนะคงไม่เยอะเท่าท่านหรอกท่านบอกว่าท่านทำงานเยอะแต่ท่านแบ่งซอยชีวิตของท่านออกเป็นช่วงช่วงเล็กๆช่วงแคบแคบช่วงนี้ทำงานมีเวลาเหลืออยู่สองนาทีถ้าเราเหลืออยู่สองนาทีเราจะโยนทิ้งเราบอกเราต้องพักผ่อนท่านบอกว่าท่านเอาเวลาสองนาทีนี้ตามรู้ตามดูเลยท่านถึงเป็นพระราชาที่ทรงทําได้ไม่มีข้ออ้างว่างานผมเยอะผมไม่ต้องปฏิบัติ ไว้ผมเกษียณแล้วผมค่อยทำไม่ได้นะไม่ทันกินหรอกฉะนั้นมีเวลานาทีสองนาทีก็ต้องดูเข้าไปเลย